ด้วยเหตุที่วิมุตติมีความหมายต่างออกไปได้หลายระดับเช่นนี้ในคำพีชันอักิกถาท่านจึงรวมเข้ามาจัดเป็นขั้นตอนให้เห็นชัดยิ่งขึ้นและนิยมจัดแบ่งเป็น5ขั้นหรือห้าความหมายเลือ น, นแบบนิโรธหขั้นที่กล่าวแล้วข้างตน้นวิธีแบ่งของท่านแบบนี้ก็ดูครอบคลุมเนื้อหาที่บรรยายมาแล้วได้ดีแต่อาจช่วยผู้ศึกษาที่ยังไม่คุ้น ให้มองเห็นภาพชัดทำให้เข้าใจง่ายเข้าอีกจึงลองเอาวิมุตติห้านี้มาเป็นแบบสำหรับทวนความรู้เรื่องวิมุตติอีกครั้งในคมภีปรมัตถทธธีปณีกล่าวถึงวิมุตติปริปาริยธรรมคือธรรมะบ่มวิมุตติที่ตรัสไว้ในบาลีหลายแห่งว่าเป็นเรื่องทำให้วิมุตติแก่กล้าขึ้นไปตามลำดับ โดยผ่านตั้งแต่วิมุติขั้นต้นๆในวิมุติห้านี้จนถึงขั้นสูงสุดวิมุติหนั้นคือ 1. วิคัมพนะวิมุติความหลุดพ้นด้วยข่มกิเลสไว้คือระงับนิวรณเป็นต้นได้ด้วยอำนาจสมาธิได้แก่สมาบัติ8คือรูปปัจานสีอรูปปัจานสี ่บางทีท่านยอมให้ผ่อนลงมารวมถึงอุปจารสมาธิด้วย 2. ตทังคาวิมุตติความหลุดพ้นด้วยองค์ธรรมจำเพาะคือพ้นอกุศลอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยธรรมะที่เป็นคู่ปฏิปักิกันว่าตามความหมายอย่างเร่งหรือความหมายตามมาตรฐาน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 ด้วยยานหรือวิชาขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นมักสี 4. ปฏิปัสธิวิมุตติความหลุดพ้นด้วยสงบระ ง, งับเรียบสนิทหรือราบคาไปคือความเป็นผู้หลุดพ้นออกไปได้แล้วมีความเป็นอิสระอยู่ รอกิเลสที่เคยผูกรัดหรือครอบงำถูกกำจัดราบคาบไปแล้วได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นผล 5. นิสรณะวิมุตติความหลุดพ้นที่เป็นภาวะหลุดรอดปลอดโปรง่งคือภาวะแห่งความเป็นอิสระ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 ปฏิปสธิวิมุตติและนิสรณะวิมุตติเป็นอาสามายิกะเจโตวิมุตติและเป็นโลกุตระวิมุตติว่าโดยสาระแท้ๆวิมุตติห้านี้ก็คือสมถะวิปัสนามรรคผลและนิพพานตามลำดับ